ของข้อห้ามนะคะบางข้อก็อาจจะฟังดูไม่น่าเชื่อถือแต่ว่าเมื่อพิจารณาอย่างละเอียดรอบด้านแล้วกลับพบนะคะว่าเป็นกุศโลบายที่ลึกซึ้งแล้วก็ให้ผลลัพธ์เช่นนั้นจริงไม่ว่าจะเป็นการเดินข้ามหนังสือคนโบราณค่ะบอกว่าการเดินข้ามหนังสือจะทําให้กลายเป็นคนโง่การเดินข้ามหนังสือจริงๆแล้วไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของสติปัญญาเลยนะคะ แต่ว่าการกระทำเช่นนั้นค่ะเป็นการบ่มเพาะนิสัยให้หยาบกระด้างไม่ให้เกียรติครูบาอาจารย์แล้วก็ไม่สนใจในการศึกษาเมื่อทำเช่นนั้นบ่อยๆเข้าก็จะกลายเป็นอนุสัยสะสมอยู่ในจิตใจแล้วก็กลายเป็นคนที่ไม่สนใจในการศึกษาตำตรับตาราแล้วก็โง่เขลาไปในที่สุดค่ะความช่างสังเกตพฤติกรรมผู้คนแล้วก็ธรรมชาติได้สังสมเป็นสถิติ ให้บรรพชนไทยแตกฉานในวัตตจักรธรรมชาติแล้วก็เจนจัดในจริตของมนุษย์รู้ว่าอะไรดีอะไรร้ายท่านก็พิถีพิถันสร้างกุศโลบายข้อห้ามขึ้นมาอย่างแนบเนียนเพราะรู้ซึ้งถึงอุปนิสัยคนไทยดีนะคะว่าหากเตือนกันอย่างตรงไปตรงมาคงไม่มีใครรับฟังแน่ ท่านก็เลยต้องใช้ความเชื่อทางศาสนาทางด้านผีสางทางด้านเทวดาแล้วก็วัฒนธรรมเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างกุศโลบายข้อห้ามขึ้นมาให้มีความกลมกลืนกับความเป็นจริงทางธรรมชาติและสภาพสังคมในขณะนั้นซึ่งก็เรียกได้นะคะว่าได้ผลเป็นอย่างดีค่ะ เกินมาขนาดนี้นะคะวันนี้แน่นอนเลยว่าเราจะต้องมาพูดถึงเรื่องของตำนานเล่าขานโบราณห้ามทำเรียกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ภูมิปัญญาบัณพระบุรุษบางสิ่งค่ะอาจพิสูจน์ไม่ได้บางสิ่งอาจจะเป็นกุศโลบายนะคะโดยท่านพันอากาศเอกจักราพิษอัตโนนะคะ เรื่องของการห้ามนอนหันศีรษะไปในทางทิตะวันตกค่ะโบราณห้ามเป็นนักเป็นหนาเลยบอกว่าห้ามนอนหันศีรษะไปในทางทิตะวันตกเพราะว่าจะทำให้เจ็บป่วยเกิดโรคร้ายแล้วก็อายุสั้นได้ปริศนาข้อห้ามนี้นะคะก็คือการนอนหันศีรษะไปทางทิศตะวันตกมันจะทำให้เกิดการเจ็บป่วยแล้วก็อายุสั้นจริงหรือไม่คำโบราณกล่าวไว้ค่ะบอกว่าสร้างบ้านผิดคิดจนตัวตาย การวางตำแหน่งห้องนอนไว้ที่ตะวันตกผนังห้องจะรับแสงแดดแล้วก็สะสมความร้อนไว้แล้วค่อยๆ ค, คลายความร้อนในเวลากลางคืนทำให้เรารู้สึกร้อนอบอ้าวจะนอนไม่หลับนะคะเมื่อนอนไม่หลับบ่อยๆเข้าสุขภาพจิตก็ย่ำแย่ร่างกายก็อ่อนแอแล้วก็เจ็บป่วยไปในที่สุดค่ะ การนอนหันศีรษะไปทิศตะวันตกก็เท่ากับว่าเราหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกก็จะสาดแสงสองใบหน้าเราเป็นการรบกวนในการหลับนอนอีกประการหนึ่งก็คือสังคมไทยค่ะมีการไปมาหาสู่กันไปลามาไหว้แล้วก็เชื้อเชิญให้พักอาศัยด้วยกันสักคืนแต่คงเป็นเรื่องหน้ากระดาษใจอยู่ไม่น้อย หากว่าต่างคนนะคะต่างหันหัวนอนไปคนละทิศคนละทางคนโบราณก็เลยออกอุบายค่ะให้หันศีรษะไปในทางทิศเดียวกันเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันของสังคมนั่นเองค่ะ สำหรับความแยบยนต์ความลึกซึ้งความลึกลับของกุศโลบายนี้เชื่อกันว่าในพิธีศพจะหันศีรษะผู้ตายไปในทางทิศตะวันตกก็คือฝังศพในป่าช้าก็หันศีรษะไปทิศตะวันตกนะคะคนโบราณจึงถือว่าทิศตะวันตกเป็นทิศของคนตาย หากใครทำอะไรเหมือนคนตายก็จะตายตกตามกันไปแล้วก็มีความเชื่อกันว่าสัมภเวสีเร่ร่อนผ่านไปมาเจอเข้าอาจจะเข้าใจผิดค่ะคิดว่าเราเสียชีวิตแล้วก็จะพากวิญญาณเราไปด้วยนะคะดังนี้แล้วค่ะกุสโลบายนี้จึงมีน้ำหนักมากพอให้ผู้คนเชื่อถือได้ในยุคสมัยที่ยังนับถือผีนับถือเจ้าที่เจ้าทางนับถือเทวดาค่ะ พูดถึงเรื่องราวของความเชื่อนะคะแล้วก็ตำนานความเชื่ออีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือการห้ามแมวดำข้ามศพนะคะเพราะโบราณบอกว่าห้ามแมวดำข้ามหีบศพมิฉนั้นจะเกิดอาถรรพ์แก่วิญญาณของผู้ตายให้กลายเป็นผีดุร้ายสำหรับปริศนาข้อห้ามแมวดำกระโดดข้ามหีบศพเชื่อกันนะคะว่าจะทําให้วิญญาณของผู้ตายกลายเป็นผีเฮี้ยนได้จริงหรือไม่เรามาไขาข้อปริศนาพร้อมกันคะ่ะ ในสมัยโบราณเมื่อมีงานศพเจ้าภาพจะจัดหาอาหารมาเลี้ยงแขกหรือในพิธีแมวซึ่งเป็นสัตว์ที่เงียบและเมื่อมันได้กลิ่นอาหารก็จะไปซ่อนตัวรอจังหวะขโมยอาหารโดยเฉพาะแมวดำนะคะที่มีความกลมกลืนกับความมืดซึ่งอยู่ๆค่ะมันก็ปรากฏตัวขึ้นมา ผู้คนก็พากันตกใจก็คิดว่าเป็นผีแล้วค่ะส่วนเจ้าแมวก็พานตกใจวิ่งพลานไปชนโต๊ะหมู่บูชาล้มกระจัดกระจายหรือซ้ำร้ายกระโดดข้ามหีบศพซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมถือว่าเป็นการไม่ให้ความเคารพศพอีกประการหนึ่งก็คือค่ะสมัยโบราณยังมีความเชื่อเรื่องเวทมนต์คาถาแล้วก็ของขลังนะคะ ศพผู้หญิงค่ะเป็นวัตถุดิบชั้นดีในการทำน้ำมันพารหรือไม่ก็อาจมีสัตว์ร้ายมาแอบกินศพก็ได้นะคะจึงต้องมีคนเฝ้าศพตลอดเวลากล่าวได้ค่ะว่าข้อห้ามนี้อาจจะเป็นเพียงกุศโลบายให้ความเคารพศพรักษาศพและรักษาสภาพจิตใจผู้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักมากกว่านะคะจะทำให้วิญญาณผู้ตายกลายเป็นผีเฮี้ยนค่ะ ส่วนความแยบยนต์ความลึกซึ้งความลึกลับของกุสโลบายคนไทยมีความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายและเกรงกลัวผีร้ายเคารพผีเรือนโดยมีความเชื่อกันเขาว่าแมวเป็นสัตว์ที่สามารถมองเห็นดวงวิญญาณได้ดวงตาสะท้อนแสงแวววาวของมันในยามราตรีพร้อมทั้งบุคลิกท่วงท่าที่ลึกลับของมันดูหน้าขนลุกขนพองต้องตามตำรา ว, ว่ามันปลุกวิญญาณคนตายให้กลายเป็นผีร้ายได้ ด้วยเหตุนี้ค่ะแมวดำจึงกลายเป็นสัตว์ต้องห้ามในพิธีศพนั่นเองค่ะ สำหรับข้อห้ามต่อไปนะคะหลายๆายท่านอาจจะเคยได้ยินเคยได้ฟังมาจากผู้เฒ่าผู้แก่ค่ะหรือแม้กระทั่งทางทีวีนะคะที่มีการนำเสนอหรือว่ามีการพูดคุยกันถึงเรื่องนี้นั่นก็คือห้ามรับทักเสียงนอกบ้านในตอนกลางคืนค่ะซึ่งโบราณบอกว่าห้ามรับทักเสียงนอกบ้านในยามวิการมิฉนั้นจะโดนพูดผีวิญญาณร้ายหรือคุณใส่เล่นงาน สำหรับการขานรับเสียงเรียกในยามวิกาลผู้ขานรับจะโดนคุณใส่เล่นงานจริงหรือไม่สมัยโบราณค่ะผู้คนมักจะเก็บรักษาทรัพย์ไว้ในบ้านนะคะแม้มีจนร้ายแอบขึ้นมาก็มองอะไรไม่เห็นในความมืดจึงแกล้งตะโกนเรียกให้ออกไปหา หากเจ้าบ้านไม่ส่องดูให้รู้ชัดซะก่อนว่าเป็นเสียงของใครหรืออะไรเพลอเฉลตะโกนรับออกไปก็เท่ากับว่าบอกตำแหน่งของตัวเองค่ะอาจจะถูกจนจับมาขู่กันโชคซับให้บอกที่ซ่อนสมบัติแล้วก็ถูกฆ่าปิดปากไปได้ในที่สุดนะคะ หรือบางทีนะคะเราอาจจะได้ยินเสียงแปลกๆเกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นเสียงของสัตว์ป่าที่มักจะแอบเข้ามาคเขมือบสัตว์เลี้ยงในบริเวณบ้านซึ่งในยามวิกาลเช่นนั้นเราอาจจะยังงัวงเงียเผลอสติเปิดประตูออกไปโดยไม่ดูให้ชัดเจนซะก่อนว่าเป็นตัวอะไรก็อาจจะถูกสัตว์รุมทำร้ายเอาได้ค่ะการรู้สตินะคะรู้ว่าเป็นโจรหรือว่าสัตว์ร้ายแล้วอยู่นิ่งๆยังดีเสียกว่าเอาชีวิตไปแลกกับสิ่งที่เกินความสามารถของตน แต่ว่าในปัจจุบันนะคะการส่งเสียงร้องดังๆเนี่ยทำให้จนตกใจหนีไปได้ค่ะแตกต่างกันกันกบสมัยโบราณมากเลยใช่ไหมคะคุณผู้ฟังคะสังคมไทยสมัยก่อนนะคะยังไม่มีตำรวจให้พึ่งพิง คนโบราณจึงต้องอิงอาศัยความเชื่อทางคุณสเป็นที่พึ่งพาเพราะว่าคุณสายในสมัยก่อนถือได้นะคะว่ามีอิทธิพลต่อชุมชนต่างๆมากพอสมควรอย่างน้อยค่ะก็ช่วยกระตุ้นเตือนสติผู้คนในบ้านเรือนได้เป็นอย่างดีเลยล่ะคะ่ะพูดถึงเรื่องราวของความเชื่อนะคะของคนโ บ, บราณโบราณที่สั่งสอนลูกหลานมาจวบจนปัจจุบันนี้ ก็มีมากมายหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นการห้ามนอนหันศีรษะไปทางทิศตะวันตกห้ามแมวดำข้ามศพห้ามคานรับเสียงเรียกในยามวิกาลนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีความเชื่ออีกความเชื่อหนึ่งนะคะที่ยังมีมาจนถึงปัจจุบันนี้นั่นก็คือการห้ามไม่ลุกอ่อนตากผ้าตอนกลางคืน โบราณบอกว่าห้ามหญิงแม่ลูกอ่อนตากผ้าตอนกลางคืนเพราะว่าผีจะรู้นะคะว่าบ้านหลังนี้มีเด็กอ่อนอยู่ก็จะมาลักเอาเด็กคนนั้นไปเด็กก็จะมีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ค่ะและปริศนาข้อห้ามนี้จะเป็นจริงหรือไม่ในยุคสมัยที่ยังไร้แสงนีออนค่ะสิงสาราศว์งูเงี้ยวเี้ยวขอก็ยังชุกชุมนะคะหญิงแม่ลูกอ่อนออกมาตากผ้าตอนกลางคืนก็อาจจะถูกสัตว์มีพิษขบกัดเอาก็ได้ การรักษาในยามวิการก็ยังเป็นเรื่องยากลําบากเพราะว่าไม่มีสถานพยาบาลอย่างในปัจจุบันนี้ซ้าร้ายค่ะหากแม่ลูกอ่อนสะพายลูกออกมาด้วยก็อาจจะเป็นอันตรายทั้งคู่นะคะการตากผ้ากลางคืนก็เช่นกันค่ะหมอกน้ําค้างจะทําให้ผ้าไม่แห้งสนิทเกิดเป็นเชื้อราบนผ้าแล้วก็อาจจะมีสิ่งสกปรกตกใส่ผ้าเมื่อนําผ้ามาใช้กับเด็กก็จะทําให้เด็กเจ็บป่วยได้จึงเป็นไปได้นะคะว่า ผีที่จะมาพรากชีวิตเด็กไปน่าจะเป็นผีเชื้อรามากกว่านะคะแต่ว่าการอธิบายให้ผู้คนเข้าใจเรื่องเชื้อโรคในสมัยก่อนนั้นเรียกว่าเป็นเรื่องยากเรื่องของผีค่ะก็เลยกลายเป็นเครื่องมือชั้นดีในการห้ามแม่ลูกอ่อนอีกประการหนึ่งก็คือคนโบราณให้ความสำคัญกับหญิงแม่ลูกอ่อนมากนะคะหากเกิดอันตรายขึ้นแก่หญิงแม่ลูกอ่อนก็จะทาให้ขาดผู้ที่เลี้ยงดูเด็กนั่นเองค่ะ สำหรับความแยบยนต์ความลึกซึ้งแล้วก็ความลึกลับของกุศโลบายนี้ความมืดกับผีเป็นส่วนผสมที่เข้ากันได้ดีมีบรรยากาศวังเวงน่าเชื่อถือโดยเฉพาะชาวไทยสมัยก่อนที่เชื่อกันนะคะว่าเด็กแรกเกิดทุกคนมีแม่ซื้อหรือพูดผู้ทำหน้าที่ดูแลเด็กๆที่ยังอ่อนต่อโลกให้พ้นภัยจากวิญญาณตนอื่นๆ แต่หากแม่ซื้อเห็นว่าเด็กคนใดน่ารักน่าเอ็นดูก็จะหาทางเอาเด็กคนนั้นไปเป็นลูกของตนเสเองแล้วก็มักลงมือในยามโพโลอเพะจนถึงยามวิการค่ะด้วยเหตุนี้นะคะคนโบราณก็เลยเอาความเชื่อเรื่องผีมาเป็นกุศโลบายข้อห้ามให้แม่ลูกอ่อนตากผ้าตอนกลางคืนแต่อย่างไรก็ตามค่ะมีเหตุชวนคิดนะคะเหตุใดเด็กๆบางคนจึงหัวเราะชอบใจอยู่คนเดียว เหมือนมีใครบางคนกำลังหยอกล้อเด็กคนนั้นอยู่คุณผู้ฟังเคยสังเกตดูไหมคะพูดถึงเรื่องราวตำนานความเชื่อของคนโ บ, บราณที่มีมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษของเรานะคะที่สั่งสอนลูกหลานมาจวบจนปัจจุบันนี้ความเชื่อบางอย่างค่ะก็ยังสามารถที่จะใช้ได้ในต่างจังหวัด แต่ว่าถ้าเป็นในกรุงเทพเนี่ยหลายๆท่านก็อาจจะไม่เชื่อแล้วนะคะแต่ว่าเชื่อเหลือเกินว่าคงจะเคยได้ยินมาบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะพักเรื่องราวของตำนานความเชื่อไว้ก่อนแค่นี้เราก็ติดตามในอีพีต่อไปนะคะส่วนช่วงนี้นะคะเราก็มีเรื่องนี้มาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยค่ะเป็นเรื่องของเปรตนะคะเรื่องไกลแต่ว่าใกล้ตัวเมื่อเอ่ยถึงเปรตเชื่อเหลือเกินว่า เราหลายท่านทั้งหลายเนี่ยที่มีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่นับถือาศาสนาพุทธคงจะเคยได้ยินได้ฟังหรือว่ารับรู้เรื่องเกี่ยวกับเปรตมาบ้างไม่มากก็น้อยโดยเฉพาะเมื่อเราทำอะไรไม่ดีไม่ว่าจะเป็นการแอบขโมยกินของที่ท่านเตรียมไว้ไปตักบาทหรือพูดคำไม่ดีกับพ่อแม่ก็มักจะถูกขู่อยู่เสมอค่ะว่าระวังจะเป็นเปรตปากเท่ารูเข็มหรือเปรตมือใหญ่เท่าใบตาล ซึ่งก็เป็นคำขู่ที่ใช้ได้ผลกับเด็กสมัยก่อนมากนะคะทำให้เราไม่กล้าทำอย่างนั้นอีกไม่ว่าจะต่อหน้าหรือลับหลังเหตุที่คำขู่นั้นได้ผลก็เพราะว่าเมื่อตอนเป็นเด็กนะคะเราก็เชื่อว่าเปรตนั้นมีจริงแล้วคนที่ทำบาปด่าพ่อตีแม่เมื่อตายไปค่ะต้องไปเกิดเป็นเปรตจริงๆ แต่เมื่อเราโตขึ้นนะคะมีความรู้มีการศึกษามากขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีมากขึ้นความเชื่อที่ว่าเปรตมีจริงนั้นก็กลับกลายเป็นเรื่องตลกค่ะเป็นเรื่องหลอกเด็กเป็นเรื่องงมงายที่สุดแล้วความเชื่อเรื่องเปรตก็ค่อยๆมาลายหายไปพร้อมๆกับความรู้สึกเกลียดชั่วกลัวบาปก็ค่อยๆขาดหายไปจากจิตสานึกของคนเราทุกวันนี้เช่นกันนะคะ ความฉลาดความเจริญก้าวหน้าความทันสมัยของเทคโนโลยีทำให้คนปัจจุบันนับถอยหลังห่างจากความเชื่อเรื่องนรกเรื่องสวรรค์การตายแล้วเกิดชาตินี้ชาติหน้ารวมถึงเรื่องเปรตค่ะแต่ว่าในขณะที่เรากำลังถอยห่างจากความเชื่อเรื่องนรกเรื่องสวรรค์หรือว่าเรื่องเปรตนั้นในทางตรงกันข้ามนะคะเรากลับขยับเข้าไปหานรก ก้าเข้าไปใกล้เปรตตูภูมิเข้าไปทุกทีเหมือนดังว่าเราจงใจที่จะไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์หรือว่าเรื่องเปรตมีจริงเพียงเป็นโล่กําบังให้ทำกรรมชั่วได้สะดวกใจขึ้นไม่เชื่อคือข้ออ้างบังหน้าในการทำความชั่วนั่นหมายความนะคะว่าการที่เราปฏิเสธว่านารกไม่มีชาติหน้าไม่มีคนทำชั่วแล้วไปเกิดเป็นเปรตเป็นเรื่องโกหก เหล่านี้ค่ะเป็นคำพูดปลอบใจตัวเองของคนที่ทำชั่วแล้วไม่กล้ายอมรับผลกรรมที่กําลังจะตามมาหรือเป็นข้ออ้างเพื่อทำให้ตนได้ทำกรรมชั่วได้โดยไม่กระดากใจแล้วก็ไม่อายมากนักนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่พยายามจะหาเหตุผลมาสนับสนุนหรือเข้าข้างตัวเองไม่ให้ผิดทั้งที่รู้อยู่เต็มอกค่ะว่าสิ่งที่ทานั้นผิดก็ตาม ดังนั้นนะคะคนที่พูดว่าตนไม่เชื่อเรื่องเปรตเรื่องนรกสวรรค์มีจริงหรือไม่นั้นแท้ที่จริงค่ะลึกๆในใจของเขาก็เชื่ออยู่ว่ามีจริงแต่เมื่อหักห้ามตัวเองไม่ให้ทําความชั่วนั้นไม่ได้หรือพลาดท่าทํากรรมนั้นไปแล้วก็คิดละค่ะหาเหตุผลที่จะทําให้ตัวเองสบายใจหลายๆคนค่ะก็เลยเลือกที่จะไม่เชื่อและพยายามถอยห่างออกไปจากความเชื่อที่ว่านี้ให้ไกลตัวที่สุด เมื่อความเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปหรือว่าเรื่องนรกสวรรค์เรื่องโลกนี้โลกหน้าไม่มีเปรตไม่มีก็เปิดทางให้ทำกรรมชั่วได้ง่ายขึ้นแล้วก็รุนแรงมากขึ้นเหมือนกับว่าการกระทําของตนในปัจจุบันนั้นซึ่งบางครั้งแทบจะไม่น่าเชื่อนะคะว่าเป็นการกระทําของมนุษย์ คุณผู้ฟังคะเรื่องเปรตคะ่ะแม้ว่าจะเป็นเรื่องไกลตัวที่ใครหลายคนปฏิเสธนะคะว่าไม่มีจริงหรือบางคนอาจเชื่อค่ะว่ามีจริงแต่นั่นก็เป็นเรื่องของเปรตไม่เกี่ยวกับเราเพราะว่าอยู่คนละพบกันแต่หารู้ไหมคะ่ะว่าการที่เราทํากรรมบางอย่างณนะปัจจุบันนี้เป็นกรรมอย่างเดียวกันกับที่เปรตบางตนเคยทําและกําลังได้รับผลกรรมอยู่ณขณะนี้ หลวงพ่อชาสุพัฒโทค่ะแห่งวัดหนองป่าพงนะคะท่านได้เคยอธิบายเรื่องของโลกหน้าว่ามีจริงหรือไม่คนตายแล้วเกิดจริงหรือไม่ให้กับลูกศิษย์ฟังค่ะว่าการที่ถามว่าโลกหน้ามีจริงหรือไม่ก็เหมือนกับถามว่าพรุ่งนี้มีจริงไหมซึ่งคำตอบที่ได้ก็คือพรุ่งนี้มีจริงแต่ถ้าให้หาหลักฐานมาแสดงให้ดูว่าพรุ่งนี้มีอย่างไรนั้นก็สุดปัญญาที่จะหามาแสดงได้ ในทำนองเดียวกันกับคำถามที่ว่าเปรตมีจริงไหมคนที่ทำบาปไปจะไปเกิดเป็นเปรตจริงหรือไม่คำตอบก็คือจริงค่ะแต่ครั้นจะให้หาหลักฐานมาแสดงต่อหน้าหรือพิสูจน์ให้เห็นเปรตตัวเป็นๆยืนอยู่ต่อหน้าเช่นนี้แล้วก็เป็นเรื่องเกินวิสัยที่จะทำได้นะคะก็เหมือนกันค่ะกับให้ไปเอาวันพรุ่งนี้มาแสดงให้ดูก็ย่อมเป็นไปไม่ได้เช่นกันแต่ว่าแม้ไม่สามารถจะแสดงหลักฐานที่เป็นตัวเปรตใหเห็นได้ แต่ว่าหลักฐานที่เป็นพยานบุคคลแล้วก็เอกสารที่สามารถยืนยันได้ว่าเปรตมีจริงนั้นก็มีมากมายแล้วก็มีน้ำหนักน่าเชื่อถือนะคะพยานสาคัญบุคคลแรกที่ยืนยันค่ะว่าเปรตมีจริงนั่นก็คือพระพุทธเจ้ามีหลักฐานเป็นพระพุทธพจน์ที่จารึกไว้ในคำพีพระไตรปิฎกคำพีที่เก่าแก่ที่สุดในพระพุทธศาสนา ปัจจุบันมีทั้งหมด45เล่มแล้วก็ในพระไตรปิฎกเล่มที่16สั่งยุตตนิกายนิทานวักมีพระสูตรที่บันทึกเรื่องราวบุพกรรมของเปรตเอาไว้21เรื่องขุดทกะนิกายวิมานวัตถุเปรตวัตถุ เทราคาถาและเถรีคาถานะคะซึ่งได้บันทึกเรื่องราวบุพกรรมต่างๆของเปรตเอาไว้รวมถึง51เรื่องค่ะนอกจากนี้ยังมีเรื่องราวของเปรตที่กระจัดกระจายในพระไตรปิฎกเล่มอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในพระไตรปิฎกเล่มที่25ขุททกานิกายขุททะกะปาฐะธรรมบทอธารอิติวุตกะสุตตนิบาศ ได้กล่าวถึงบุพกรรมของเปรตงูแล้วก็เปรตกาเป็นต้นค่ะคำพี่เหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันได้นะคะว่าเปรตมีจริงการที่ยกอ้างเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นหลักฐานอ้างอิงก็เพื่อยืนยันว่าเปรตมีอยู่จริงนะคะเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือมากที่สุดในโลก เป็นธรรมดาค่ะว่าเมื่อเราเดินทางเข้าป่าลึกที่ไม่เคยเข้าไปมาก่อนก็จําเป็นที่จะต้องหาผู้ที่ชำนาญพื้นที่เป็นผู้นำทางเพื่อเราจะได้ไม่หลงป่าและสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะที่เราต้องมอบให้กับผู้นาทางนั่นก็คือความศรัทธาความเชื่อมั่นในตัวผู้นำทาง แล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามคําแนะนำของเขาทุกอย่างถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ว่าทางที่เขานำไปนั้นจะถูกหรือไม่ถูกก็ตามนะคะความเชื่อเรื่องเปรตนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเราไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ด้วยตนเองว่าเปรตมีจริงหรือไม่อย่างไรแต่ว่าในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธนับถือพระรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งสูงสุด เราก็ควรที่จะเชื่อในพระพุทธเจ้าไว้ก่อนเพื่อที่เราจะได้ไม่หลงเดินทางผิดนั่นเองค่ะเดี๋ยววันต่อไปนะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของเปรตค่ะที่บอกว่าเราจำเป็นต้องเชื่อเรื่องของความดีหรือไม่เราจำเป็นต้องเชื่อเรื่องของความชั่วหรือไม่ แล้วเรื่องของเปรตนะคะยังคงมีรอคุณผู้ฟังอยู่พร้อมกับเรื่องของตำนานความเชื่อต่างๆเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่ะเราจะกลับมาพูดคุยให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันยังไงก็อย่าลืมติดตามต่อไปนะคะสําหรับเทป พ, พิเศษนี้ก็จะพูดถึงเรื่องราวของตำนานความเชื่อที่คนโ บ, บราณต่างๆสั่งสอนลูกหลานมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็เรื่องราวของเปรตนะคะที่เรานํามาฝากคุณผู้ฟังกันโดยอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์พันสัตว์นะคะเรียกว่าเป็นเรื่องราวคุณภาพที่ เราชาวพุทธนะคะควรที่จะฟังไว้แล้วก็เรื่องราวพันธนาการแห่งบาปที่ไม่ต้องรอบทพิสูจน์และไม่ควรจะเอาเยี่ยงอย่างนั่นก็คือเรื่องเปรตนั่นเองค่ะ